เพรความในมหาปรินิพานสูตรต่ อ, อกล่าวถึงการปรินิพานเนี่ยนะการดับโดยรอบปรินิพานในที่นี้นี่แปลว่าการสิ้นชีวิตชนิดที่เรียกว่าทิ้งกายนี้แล้วไม่ถือเอากายใหม่ น, นะนะหรือเทวทิ้งสริระสุดท้ายแล้วไม่ถือเอาสริระใหม่เลยเรียกว่าปรินิพานปรินิพานอันนี้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 เข้าไปฟังพุทธโอวาทเข้าไปรับพุทธประสงค์เข้าไปสนองงานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าไปประทำวัดไปดูแลความเรียบร้อยเป็นต้นเรียกว่าไปอุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคนั่นเองหลังจากอุปถัมภ์เสร็จแล้วท่านก็เข้าสู่ที่พักกลางวันเมื่อเหล่าอันเตวเสิก ค, คือลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะทำวัดในพระเชตวันนั้นแล้วก็กลับไปเสร็จแล้วท่านเองก็ปัดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเทา้านั่งขัดสมาธิโดยเข้าพระสมาบัติ คือเข้าอารหัตผลสมาบัติกล่าวกันว่าพระอรหันต์จะไม่ยอมเข้าสมาบัติระดับล่างๆจะไม่เข้าโูดาปฏิพลสกาธาคามีผลอนาคามีผลปกติแล้วจะเข้าอารหัตผลสมาบัติครั้นท่านออกจาก อ, อารหัตผลสมาบัตินั้นแล้วก็กำหนดเกิดความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพานก่อนหรืออัคระสาวกปรินิพานก่อนคือสงสัยขึ้นมา ประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นี่เป็นอย่างไรประเพณีของพระอรหันต์อัคาราสาวกนั้นผู้ใดปรินิพานก่อนระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านก็รู้ว่าอัคาราสาวกปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ตรวจดูอายุสังขารของท่านก็รู้ว่าอายุสังขารของตอนเนี่ยจะเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นถัดจากนี้อีกเจวันท่านจะปรินิพาน อนนะแม้ถือว่ากระชั้นชิดมากเลยนะถ้าเป็นของเราให้ตกใจเลยมั้งเนี่ย<ม>พระโส ป, ปูตุชนทั้งหลายพระปูตุชนได้ฟังแล้วสะอื้นเลยนะเฮ้ยเจ็บวันเองเหรอยังไม่ได้เก็บของเลยว่างั้นนะกาลังนึกนะมาวานคุยกับโยมบอกว่าเนี่ยขอมานะเตรียมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอีกพภาคหนึ่งเดี๋ยวเขามาก็เตรียมเดินทางแล้วว่า ง, งั้นเตรียมเก็บของลอะเก็บของไปไหนเอาจะอยู่ชาตินี้ตลอดไปแลยล่ะให้มนาะยุเป็นหมื่นปืนปีเอาไหมเราก็ไม่เอาอีกนั่นแหละ<ม>แล้วก็ไปแล้วก็ต้องไปเตรียมเก็บของเลย เก็บอะไรก็เก็บอริยทรัพย์เ่ียนะพวกกรทัพย์เอาไปใช้ชาติหน้าไม่ได้หรอกครับเก็บอริยทรัพย์ให้มันดีๆแบบนั้นเราคิดว่าไม่ทําอย่างนี้ตลอดชาติหรอกว่างั้นมันก็ต้องเตรียมก็ต้เตรียมนะเตรียมอริยทรัพย์เนี่ยนะขนอริยทรัพย์ไปใช้ข้างหน้าต่อไปบ้างนี่สําหรับภาษารีบทเนี่ยท่านรู้ว่าอีกเจ็ดวันท่านก็จะปรินิพานเนี่แนหะแต่ท่านไม่ตกใจอะไรเลยนะ ก็คิดว่าเราเนี่ยจะปรินิพานที่ไหนนาะเนี่ยนะท่านก็คิดอยู่ต่อไปอีกว่าท่านพระราหูนเนี่ยปรินิพานในดาวดึงพระราหูนเนี่ยอายุไม่ยืนนะจริงๆแล้วอายุถ้าจำไม่ผิดสักสี่สิบเศษท่านก็ปรินิพานและนะก็ปรินิพานก่อนหน้านี้สักไม่กี่ปีนะเพราะพระราหุล น, นี่คลอดหรือประสูติวันที่พระสิทธิธรรออกบวชพระโพธิสัตว์ออกบวชท่านก็แสดงว่าปรินิพานมานานแล้วนะเหมือนกัน ส่วนท่านระอัญญากลทัญญาปริณิพานที่สะชัดทันก็สะัดทันเนี่ยนะที่พวกเท้าสกกะเท้าอะไรเป็นต้นไปอุปถากส่วนเราเล่าจะปริณิพานณที่ไหนหนาะิต่อไปก็เกิดสติสติกระลึกถึงปรารบถึงมารดาระลึกถึงแม่ว่ามารดาของเราเนี่ยนะเป็นแม่ของพระอรหรันต์เจ็ดรูป ลกเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่แม่ก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธไม่เลื่อมใสในพระธรรมและไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นะตั้งแต่อะไรพระสารีบุตรพระ อ, อุปเสนะวังขตบุตรพระจุนทะเนี่ยนะพระเรวตะแล้วก็พระจาราอุปจาราสีสุปจาราเนี่ยมีพี่น้องอยู่เจ็ดคนเป็นพระอรหันต์หมดเลยเนะเหลือแต่เนี่ยเหลือแต่มารดาเนี่ยไม่เรียกว่า ไม่บรรลุไม่ว่าพระไม่นับถือพระรัตนตรายด้วยสิเนี่ยนะจำเนะมาตลอดเลยดูถูกดูหมิ่นพระรัตนตรัยมาตลอดเพราะถือว่าแม้เอาลูกเข้าไปบวชหมดเลยแล้วก็คี้ต่อไปว่าแมนมารดานี่ก็ไม่มีศรัทธาแล้วมีอุปนิสยัยบรรลุมรคผลหรือไม่หนอระลึกไปเนี่ยนะระลึกแล้วก็เห็นอุปนิสยัยแห่งโสดาบันทีมรู้ว่าเออแม่นี่ก็ทําบุญมาจะได้เป็นพระโสดาบันนะเนี่ย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 เพราะท่านคนเดียวเนี่ยแสดงธรรมอยู่สูตรเดียวเนี่ยนะพระบรรลุเทวดาบรรลุอรหันต์เป็นแสนโกดแล้วบรรลุอื่นอื่นอีกไม่ต้องพูดถึงและที่อื่นแสดงแล้วก็มีผู้บรรลุมากมายอันหนึ่งเล่าเพราะผู้ใดก็ตามที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระทิระตระกูลถึง8 0ดห0ื่นตระกูลก็บังเกิดในสวรรค์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยที่ไปเกิดในสวรรค์มี8ดหมื่นตระกูล บัดนี้พระเถระไม่อาจแม้จะกำจัดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิของมารดาได้ช่วยแม่แค่นี้ก็ช่วยไม่ได้แล้งั้นเถอะแม้ช่วยคนอื่นให้ช่วยให้เขาบรรลุเยอะแยะหาประมาณไม่ได้ทีแม่ของตัวละเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงใจว่าเราจะเปลื้องมารดาของเราให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมันขวางการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมันเป็นการขวางข้อปฏิบัติเพื่อ แพงตลอดอริยสัจเพราะนั้นท่านก็เลยคิดจะแก้ไม่ให้แม่นี่เป็นมิจฉาทิฐิเสร็จแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะปรินิพานที่ห้องน้อยนะจะกลับไปปรินิพานในสถานที่ตัวเองเกิดนั่นแหละแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าเราจะทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในวันนี้นี่แหละจึงเรียก พระจุลทะเทระพระจุนทะก็เป็นน้องคนเล็กของท่านนะนะก็เป็นน้องพระน้องพระสารีบุตรเสร็จแล้วก็กล่าวกันว่ามาเถิดท่านจุนทะเราจะบอกภิกษุบริษัทห้าร้อยรูปของเราคือท่านจงบอกบริษัทห้าร้อยรูปของเราว่าอาุโศท่านจงถือบาตรและจีวรถราทำอาศัยบันาบดีเนี่ยประสงค์จะไปนารกะคามนะพระสารีบุตรเนี่ยจะไปโน่นไปเมืองนารันทาโน่นอะ่ะนารกะคามนี้อยู่ในเขตเมืองนารันทา สาวธีราชครื่อง45โยต์จากราชครื่ไปนารกะคามก็อีกหลายโยต์เหมือนกันเนี่ยนะก็ก็ถือว่าเดินทางไกลามากหลายร้อยกิโลเลยแหละพระเทระก็ไปประกาศบอกพระภิกษุ500รูปว่าพระสารีบุตรจะไปนารกะคามภิกษุบริวารของท่านก็เก็บเสนาสนะถือบาจีวรมายังสำนักของพระสารีบุตรเทระฝ่ายพระสารีบุตรเทระก็เก็บเสนาสนะปัดกวาที่พักกลางวัน เส็จแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูมองดูที่พาคกลางวันคิดว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจักขูวิญญาณที่จะมีรูปที่อยู่อาศัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการกลับมาอีกเนี่ยนะเรียกว่าดูครั้งสุดท้ายพระองค์นี้ผู้อันภิกษุห้าร้อยรูปพระเสยียภาษาริบดุตเนี่ยนะภิกษุห้าร้อยรูปแวดล้อมแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมเสร็จแล้วก็กราบทูลเป็นคำร้อยกรองกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระมหามุนีโลกก น, น้าเจ้านะนะมหามุนีก็คือพระองค์ผู้เป็นมหามุนีคำว่ามหามุนีหมายคือว่าผู้ที่ยิ่งกว่าเสข อาคารามุนีอนาคารามุนีเสขามุนีอเสขมุนีมุนีมุนีปเจกามุนีและพระองค์เป็นมุนีมุนีในบรรดามุนีทั้งหลายผู้ที่รู้ญาตธรรมผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยพระองค์เป็นสุดยอดของมุนีเป็นมุนีผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มุนีทั้งหลายนับถือโลกกนัชเจ้าก็คือเป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในภพสาม บัตรนี้นะเขบอกว่าก็กล่าวคําเรียกนะข้าแต่พระมหามุนีโลกนาจเจ้าบัตรนี้ข้าพราะองค์ตัดสินแล้วนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าอีกเจ็ดวันต่อไปไม่มีการไปการมานี้เป็นการคือแปลว่าต่อไปนะไม่มีการไปสู่วัดต่ไม่มีการไปสู่พบใหม่อีกแล้วการที่มาในครั้งนี้เป็นการมาถวายบังคมลาพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ปกติก็เวลาไปจาริกแล้วก็ได้กลับมาอีกแต่มาการมากราบมาลาครั้งนี้เป็นเวลาครั้งสุดท้ายแล้วชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยอายุน้อยชีวิตนี่แปลว่าอายุนะอายุของข้าพระองค์นี่มีน้อยล่วงไปแต่นี้อีกเจ็ดวันข้าพระองค์จะทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาระลงพระหันทั้งหลายเนี่ยท่านมองว่าการปรินิพานเหมือนกับการแล้วก็ปลงภาระะนะ วันที่ดัดทุกข์ได้เนี่ยถามว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขไหมอย่างคนที่ปวดหัวมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยบอกอีกเจ็วันจะหายปวดเป็นปิดทิ้งเนี่ยนะถามว่าจะดีใจหรือจะเสียใจโอ้ดีใจเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเออเจ็ดวันเนี่ยข้าพระอง์จะปลงภาระภาระแปลว่าของหนักอีกเจ็ดวันจะทิ้งของหนักแลยเหี้วเนี่ยนะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุญาตขอพระสุคตโปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้เป็นเวลาปริณิพาน เป็นเวลาที่ทอดทิ้งเรือนร่างแล้วเนี่ยนะเป็นเวลาเรียกว่าเป็นรางวันเนี่ยนะเป็นรางวันเป็นเวลาเป็นวันที่ได้รับรางวันฆ่าพระองค์ปรงอายุสังขารแล้วพระเจ้าข่าเนี่ยนะเรียกว่าเรียก ว, ว่าทอดอายุหรือปรงใจแล้วว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยปรินิพานทีนี้พระพุทธเจ้าตอบเลยทันทีไหมบอกไม่ตอบทันทีเลยเพราะอะไรเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีปกติชอบยกโทษ ถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปริญนิพผานเถิดก็จะกลายเป็นว่าพระองค์พันานาสรรเสริญคุณของความตายเดี๋ยวพระพุทธเจ้าชื่นชมเรื่องความตายพระองค์สรรเสริญเรื่องการตายแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าอย่าปริญนี้พานเลยก็จะกลายเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของวัฏฏะสงสารไปกล่าวสรรเสริญการอยู่ด้วยขันธาตุอเยตนะไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสคําแม้ทั้งสองว่าอนุญาตรหรือ Gibson, ไม่อนุญาต อยู่หรือไปไม่พูดประเด็นนี้แล้วไม่ไม่ตอบเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องตอบเพราะอะไรก็พระสารีบุตรบอกอีกเจ็ดวันท่านจะถ่ายต่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไม่มีประโยชน์อนะเพราะเจดวันก็ตายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมนะธรรมเนียมขออนุญาตอย่า ง, งั้นแหละแต่พระองค์ก็ตรัสเรื่องอื่นพร ะ, พระองตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจากปรินิพานที่ไหนนะถามหาสถานที่เลยนะไม่ถามว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตบอกที่ไหนอย่างนั้นเนีะ เมื่อพร ะ, ะเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลว่าในห้องน้อยก็คื อ, คอห้องเป็นที่เกิดในนาลกะคามเนี่ยนะแคว้นมคตมีอยู่นาลกะคามเนี่ยนะอยู่แคว้นมคตแต่อยู่ในเขตเมืองนารันท า, านะขึ้นตรงต่อจังหวัดนารันทาเนี่ยนะข้าพระองค์จักปรินิพานในห้องนั้นพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าสารีบุตร บัดนี้เธอสำคัญกาละอันสมควรเธอเนี่ยน ะ, ะดูเรียกว่าพิจารณาดูเวลาเอาอ่ะนะเวลาไหนที่เหมาะสมก็ว่ากันไปนะเหมือนนเวลานี้การเห็นภิกษุเช่นเธอเนี่ยนะสำหรับพี่น้องของเธอจักหาได้ยากเมื่อไรเมื่อไรน้อยจะได้เห็นพระเทระแบบพระษาริบุอีกต่อไปเนี่ยนะ น, นรอดูสาวกของพระสีอานนั่นแหละ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 ก็ประมาณเหาะสูงประมาณสักเจ็ดสิบเมตรแล้วก็ลงมากราบแล้วก็เหาะขึ้นไปใหม่แล้วก็แสดงฤทธิ์เนี่ยนะเสร็จแล้วแสดงฤทธิ์เสร็จก็สลับกับแสดงธรรมชาวพระนครทั้งสิ้นก็มาประชุมกัน เ, เกิดปาฏิหาริย์ใหญ่ในนะชาวเมืองก็มากันพระเิระลงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็กราบทูลว่า